มิินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหาจะตุถวักอหิงสานิหะปัญหาที่สองถามว่าห้าไม่ให้เบียดเบียนสัตว์ให้เอ็นดูสัตว์เหตุอะไรจรึงข่มขี่ทรมานสัตว์เล่าราชา สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชะองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าผู้ประกอบด้วยปรีชาสมเด็จพระบรมโลกกนาชสัสดาจารเจ้ามีพระพุทธดีกาตรัสว่าภิกเวดูกรัภิกษุทั้งหลายท่านจงมีความรักความเอ็นดูสัตว์โลกนี้แลวโรประเสริฐตรัศนี้แล้ว ครั้นมามีพระพุทธฎีกาตรัสเล่าว่าภิกขเวดูกระภิกสุทั้งหลายโลกทั้งปวงควรจะข่มขีตถาคตก็ข่มขีควรจะยกย่องตถาคตก็ยกย่องนี่แหละพระผู้เป็นเจ้านิคขโหธรรมดาว่าควรที่จะข่มขีก็ให้ข่มขีหัตถเฉดชังควรที่จะตัดมือให้ตัดมือ บาทะเฉดชังควรจะตัดเท้าก็ตัดเท้าควรจำจองก็จำจองควรจะฆ่าก็ฆ่าให้ตายธรรมดาจะข่มขี่คนทั้งหลายก็ต้องกระทำดังนี้พระองค์มีพระพุทธดีกาว่าควรจะข่มขีให้ข่มขี่นั้นโยมนี้เห็นไม่ควรนักหนาะสมเด็จพระศาสดาไม่ควรจะตรัสชะนี้ แม้จะเชื่อเอาพระพุทธดีกาที่ตรัสไว้แต่เดิมว่าอย่าเบียดเบียนสัตว์ให้รักสัตว์เอ็นดูสัตว์ในโลกนี้คำภายหลังที่พระองค์ตรัสว่าโลกควรจะขมขีให้ขมขีควรจะยกย่องให้ยกย่องดังนี้จะไม่ผิดหรือครั้นจะเชื่อเอาพระพุทธดีกาภายหลังที่ว่าควรจะขมขีให้ขมขี พระพุทธดีกาที่ตรัสมาแต่เดิมนั้นก็จะผิดอายังปัญโโหอันว่าปัญหานี้อุพัโตโกติโกเป็นอุพโตโกตินิมนต์พระผู้เป็นเจ้าโปรดวิสัชนาไปในการบัดนี้เทโรฝ่ายพระนาคเสษนผู้พระอรหันต์อันวิเศษประเสริฐด้วยยานปฏิสัมพิทาจึงมีเทระวาจาว่ามหาราชะ ขอถวายพระพรบอพิษพระราชสมภารซึ่งพระพุทธดีกาตรัสไว้แต่เดิมว่าตูกระภิกษุท่านจงสมัครรักใคร่สัตว์เอ็นดูสัตว์อย่าเบียดเบียนสัตว์โลกนี้ว่โรนี่แหละอุดมล้ำเลิศประเสริฐยิ่งนักครั้นแล้วยังมีพระพุทธดีกาว่าสัตว์โลกนั้นควรจะคมขีให้คมขีควรจะยกย่องให้ยกย่อง พระพุทธดีกานี้จะให้เป็นสองหาไม่ได้และคำที่ว่าให้สมัครรักไร่สัตว์ทั้งหลายนี่แหละสมเด็จพระมหาการุณาเจ้าตรัสตามอธิบายสมเด็จพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนให้โอวาดความสั่งสอนสืบกันมามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐชื่อว่าธรรมนั้นมีลักษณะไม่ได้มีวิหิงสาสัตว์ นี้เป็นคำอันจริงแท้ไม่มีผิดเลยมหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในสมบัติซึ่งมีพระพุทธดีกาตรัสว่าควรจะข่มขีก็ให้ข่มขีควรจะยกย่องก็ให้ยกย่องนั้นใช่ว่าพระองค์จะให้ข่มขีก็ให้ข่มขีควรจะยกย่องก็ให้ยกย่องนั้นใช่ว่าพระองค์จะให้ข่มขีด้วยวิหิงสา ให้ยกย่องด้วยฉันทราคะก็หาไม่ได้คือพระองค์ทรงมุ่งความดูธรรมเป็นประมาณกำหนดตามสภาวธรรมที่เป็นจริงคือจิตที่ฟุ้งซ่านจึงให้ข่มขีเสียจิตที่สงบก็ให้ยกย่องจิตที่เป็นอกุศลให้ข่มขี่จิตที่เป็นกุศลให้ยกย่องเชิดชูอโยนิโสมนาสิการให้ข่มขี่โยนิโสมนสิการให้ยกย่อง คนปฏิบัติผิดให้ข่มขีคนปฏิบัติชอบให้ยกย่องผู้ที่ประพฤตินอกทางไม่ถูกต้องตามคลองธรรมพระอริยะให้ข่มขีผู้ที่ประพฤติถูกรมเป็นพระอริยะให้ยกย่องผู้ที่เป็นโจรให้ข่มขีมิใช่โจรให้ยกย่องมหาราชะดุรานะบพิษผู้ประเสริฐสมเด็จพระโมลีโลกเลิศในเทพาและมนุษย์ ตรัสให้ข่มขี่และยกย่องโดยสัตว์โดยธรรมจะเป็นด้วยอำนาจวิหิงสาและราคะหามิได้ขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาจึงมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาขาเสนะข้าแต่พระหน้ า, าเกษณผู้ปรีชาพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาไปวิสัชนาไปก็กลับมาที่โยมถามเมื่อกี้นั่นแหละ พันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าบุคคลที่เป็นโจรพระผู้เป็นเจ้าว่าให้ข่มขี่นั้นก็พูดจะข่มขี่โจรจะพึ่งข่มขี่อย่างไรพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเกษ็จึงถวายพระพรวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารผู้ที่จะข่มขี่โจร น, นั้นก็ต้องข่มขี่ตามโทษ คือโทษควรจะบริพาศก็บริพาศควรจะปรับไหมก็ปรับไหมควรจะขับก็ขับเสียควรจะจำจองก็จำจองไว้ควรฆ่าก็ฆ่าเสียขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชาบรมกษัตริย์มีสุนทรพจน์น้าตรัสว่าพันเตนาฆเสนะฆ่าแต่พระนาคเษนผู้เป็นเจ้าประกอบด้วยปรีชา คำที่ว่าควรจะฆ่าก็ฆ่านั้นเป็นพระอนุมาตของสมเด็จพระบรมโลกานาตศาสดาจารย์เจ้าด้วยหรือพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเกษนถวายวิสัชนาว่ามิใช่พระอนุมาตของสมเด็จพระบรมโลกกานาจเจ้าขอถวายพระผรบพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นภูมิบาลมีพระราชองค์การตรัสถามว่า พันเตนาคเสนะข่าแต่พระนาเกษนผู้ปรีชาอนุมัตโตตถาคตานังที่พระผู้เป็นเจ้าว่าการฆ่าโจรนั้นมิได้ฆ่าโดยพระอนุมัติของสมเด็จพระบรมศาสดาแล้วจะควรฆ่าด้วยเหตุไรเล่าพระผู้เป็นเจ้าพระนาเกษนรจิงถวายพระพรว่ามหาราชะดูราณะบพิษผู้เสริฐการฆ่าโจรนั้น มิได้ฆ่าโดยพระอนุมาตของสมเด็จพระบรมศาสดาฆ่าโดยโจรนั้นได้กระทำความผิดไว้เองมีโทษติดอยู่เขาจริงฆ่าสมเด็จพระบรมศาสดาย่อมตรัสพระสัทธรรมเทศนาเพื่อให้เป็นสวัสดีมงคลแก่สัตว์ทั้งหลายจะให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้ต้องได้รับความเดือดร้อนนั้นหาบ่ได้มหาราชขอถวายพระพร อากาโรนตังอนุปราธังราชบุรุษ ท, ทั้งหลายอาจสามารถจะจับบุรุษ ท, ที่มิได้กระทําความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเดินเที่ยวอยู่ตามท้องถนนไปฆ่าเสียให้ตายโดยพระราชองค์การของพระองค์ได้ ห, หรือมหาบพพิสสมเด็จพระเจ้าวิรินมีพระราชองค์การตรัสว่าณหิพันเตฆ่าแต่พระนาคเษนพูดจเจริญราชบุรุษ จะจับผู้ที่หาความผิดไม่ได้ไปลงโทษค่าเสียนั้นหาควรไม่พระนาคเษนจึงมีเถระวาจาถามว่าเป็นเหตุประการใดเล่าจึงไม่เป็นการสมควรมหาบอพิษสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาจึงมีพระราชโอการตรัสว่าบุรุษผู้นั้นมิได้กระทาความผิดอย่างใดไว้เลยจะไปลงโทษเขาอย่างไรเล่าพระผู้เป็นเจ้า พระนาคเกษนจิงถวายพระพรว่ามหาราชดูรานะบวพิษผู้ประเสริฐคนที่หาความผิดไม่ได้ราชบุรุษจะฆ่าเสียโดยพระราชองค์การของพระองค์ไม่ได้ต่อเมื่อบุรุษนั้นได้กระทาความผิดไว้เองจจิงฆ่าได้มีอุปมาฉันใดการฆ่าโจรก็ไม่ได้ฆ่าโดยพระอนุมัติของสมเด็จพระบรมศาสดายอย่างไรได้มหาราชะ ดุราณะบ่อพิษผู้ประเสริฐโจรนั้นถึงแก่ภัยท่านข้าเสียด้วยกรรมของตนเช่นนี้สมเด็จพระสัพพันยูผู้สอนจะมีโทษด้วยหรือขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชามีพระราชาองค์การว่าจะมีโทษหาไม่ได้พระนาคเกษณถวายพระพรว่ า, วามหาราชดุการะบ่อพิษพระราชสมภาร ถ้าเช่นนั้นพระโอวาทที่พระองค์ตรัสเทศนาสั่งสอนนั้นจะไม่เป็นประโยชน์เป็นผลเป็นสวัสดีมงคลหรือบ่อพิษพระราชสมภารสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีก็มีพระราชโอการรับถ้อยคําแล้วตรัสว่าสาธุยมจะรับถ้อยคํามณสิการจําไว้จะได้เป็นเยี่ยงอย่างไปภายหน้าในการบัดนี้ อหิงสานิหะปัญหาเป็นคำรบสองจบเท่านี้